ซ่อนหาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรที่ห่างไกลยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งที่งดงามนามว่าเมลานี่เมลานี่เป็นหญิงสาวที่สดใสและฉลาดเธอชอบเล่นเกมมากและเกมโปรดของเธอก็คือซ่อนหาเมลานี่มีหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอมันสูงมากทำให้เธอสามารถมองเห็นทุกอย่างจากบนนั้นและไม่มีใครสามารถซ่อนเธอได้ ราชารักลูกสาวมากแต่ถึงแม้เธอจะฉลาดมากแต่เขาก็ไม่พอใจนักที่เธอชอบทำตัวเป็นเด็กและแย่ที่สุดก็คือเขาต้องการให้เธอแต่งงานเมลานีลูกรักเมื่อไหร่ลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีท่านพ่อทำไมพ่อพูดกับข้าแบบนี้พ่อก็รู้ว่าข้ายังไม่อยากแต่งงานนี่แต่ว่าลูกรักท่านพ่อคะ ท่านรู้ไหมว่าข้าฉลาดแค่ไหนพ่อสามารถหาคนอื่นเจอที่เก่งกว่าข้าไหมเล่พ่อรู้ว่าเจ้าฉลาดแค่ไหนแต่บางครั้งเจ้าก็เล่นเป็นเด็กๆ เ, เจ้าและเกมของเจ้าบางทีเจ้าน่าจะได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งปริสนานะชายแห่งปริสนาอย่างนั้นเหรอเยี่ยมไปเลยท่านพ่อข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะแต่งงานกับชายผู้ใดก็ตามที่สามารถซ่อนตัวได้อย่างยอดเยี่ยม อะไรกันเจ้าจะแต่งงานกับคนจากเกมซ่อนหางั้นเหรอคนในราชวงศ์ไม่มีเวลาให้กับเกมของเจ้าหรอกนะเจ้าจะไม่มีวันหาสามีแบบนั้นได้ข้ารู้นั่นแหละประเด็นทั้งหมดเลยละออหลังจากนั้นอสุวินและเจ้าชายต่างก็มาขอเจ้าหญิงแต่งงานพวกเขาคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องง่ายที่จะซ่อนตัวจากเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงบนหอคอยของเธอ ก็หาพวกเขาพบเสมอไในไม่ช้าแทบไม่มีเจ้าชายคนใดที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้เลยเมลานีมีความสุขมากแต่ราชานั้นไม่เลยเมลานีอย่าทำแบบนี้เลยแต่งงานกับเจ้าชายคนนั้นที่มาสิคนที่ผมสีแดงเข้มเขาดูดีนะคนที่ซ่อนในถังปลาน่ะเหรอไม่มีทางหรอกข้าแต่งงานกับกบซะยังดีกว่า เจ้าไม่ทำแน่กับกบเจ้าก็คงไม่เอาในขณะเดียวกันเจ้าชายเลียมได้ยินคำขอ แ, แปลกๆของเจ้าหญิงกำลังเดินทางมาเพื่อพบเธอเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งรูปงามและมีเมตตาเป็นอย่างมากออช่วยแคาด้วยใครก็ได้ช่วยแคาด้วยโอ้เจ้าผีเสื้อที่น่าสงสาร เป็นอะไรแล้วนะเจ้าเป็นอิสระแล้วเออขอบพระคุณท่านมากเขาจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยล่ะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสิ่งที่สมควรทาท่านช่นใจดีมากมากเมื่อไรก็ตามที่ท่านมีปัญหามาหาข้านะข้าจะช่วยท่านเองงั้นข้าไปก่อนนะธิดาผีเสื้อบินจากไปและเจ้าชายก็ออกเดินทางต่อ ขนาดที่เขาควบหมาเขาได้ยินเสียงบางคนร้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวดโอ้เท้าข้าเจ็บสุดๆเลยใครก็ได้ช่วยข่าด้วยช่วยด้วยเลียมองไปที่พุ่มไม้และพบกับกระต่ายตัวน้อยเท้าของเขาติดอยู่กับรากของต้นไม้โอ้เจ้ากระต่ายที่น่าสงสารมันดูแย่มากเลยข้าช่วยเจ้าเองนะ เลียมช่วยปลดขากระต่ายออกอย่างนุ่มนวลแต่ว่าเจ้ากระต่ายนั่นเจ็บชมัดเลยอ่ะโอ้ไม่นะเป็วสิท่านโอ้ข้าเป็นอิสระแล้วเหร อ, อยิบิฮูฮู้เยียบไปเลยข้าจะตอบแทนท่านยังไงดีไม่เป็นไรแค่ดูแลตัวเองให้ดีนะขอบคุณมากนะท่านมีเมตตาจริงๆ จำเอาไว้เมื่อไรก็ตามที่ท่านอยากให้ข้าช่วยมาพบข้าแล้วข้าจะช่วยท่านแต่ว่าตอนนี้ข้าต้องไปก่อนนะแล้วเขาก็กระโดดออกไปอย่างมีความสุขด้วยความช่วยเหลือจากเลียมเลียมยิ้มออกมาและออกเดินทางต่อเมื่อเข้าไปถึงชายป่าเขาพบกับนกอินซีที่กําลังเหนื่อยล้าและหิวโหยอยู่ตัวหนึ่งเลียมรู้สึกเศร้าใจกับมันมาก ค่นนักเดินทางได้โปรดมอบอาหารสักหน่อยให้ข้าเถอะนะพี่ข้ารู้สึกหนักเกินกว่าจะบินไหวแล้วข้ามีอาหารแค่นิดหน่อยเองแต่ไม่เป็นไรเจ้ากินมันเถอะคงจะทำให้เจ้าดีขึ้นโอ้ขอบคุณท่านมาก ไม่นานนกอินทรีก็กินอาหารจนเสร็จและดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นมาแล้วขอบคุณท่านมากที่มอบอาหารให้ข้ามีอะไรที่ข้าจะตอบแทนท่านได้ไหมไม่มีอะไรที่ข้าอยากได้ตอนนี้หรอกนะแค่ข้าได้ช่วยคนอื่นก็มีความสุขแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อไรก็ตามที่ท่านต้องการเรียกข้าได้เลยและข้าจะไปช่วยท่านในทันทีเลียมพยักหน้าและออกเดินทางต่อไปยังอาณาจักรเขาเข้าไปถึงราชวัง และเข้าไปพบกับเจ้าหญิงเมลานี่โอ้ดูสินักรักอีกคนขอบคุณพระเจ้าที่ยังเหลือคนสำหรับเจ้าเมื่อเมลานี่พบกับเลียมเธอตกตะลึงอย่างมากเธอไม่เคยพบใครที่หล่อเช่นนี้มาก่อนยินดีที่ได้พบเจ้าหญิงเมลานีและฝ่าบาทข้าคือเจ้าชายเลียมและข้ามาที่นี่เพื่อขอเจ้าหญิงแต่งงานเจ้าแน่ใจนะ จะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าชายคนอื่นที่เคยมาลองอย่างนั้นเหรอข้าได้ยินฟาบาดแต่มีบางอย่างบอกว่าข้าจะทําได้ดีกว่าพวกเขาข้าจะพยายามซ่อนตัวจากท่านให้ดีที่สุดเมลานีตะลึงมากกับความมั่นใจของเลียมก็ดีงั้นเริ่มเลยนะไปซ่อนได้เลยแต่ว่าข้าขอเตือนก่อนถึงแม้อาณาจักรแห่งนี้จะกว้างใหญ่แต่ข้าจะหาท่านพบแน่นอน เลียมยิ้มและออกมาขอให้เป็นเขาด้วยเถอะเจ้าชายที่เจ้าจะแต่งงานด้วยแน่นอนว่าไม่ข้าจะหาเขาพบง่ายๆเลยละคะ่ะในขณะเดียวกันเจ้าชายเลียมก็ออกไปตามหานกอินซีถ้าที่เจ้าหญิงพูดเป็นความจรงิงข้าคงต้องมีคนช่วยเออเจ้าอินซีเจ้าอินซีได้ยินข้าไหมนกอินซีได้ยินเขา และบินลงมาสวัสดีมีอะไรให้ข้าช่วยเหรอข้าต้องซ่อนตัวจากเจ้าหญิงเมลานี่เจ้าช่วยข้าได้ไหมดังนั้นนอกอินซีจึงพาเลี่ยมมาที่รังของเขาแต่นั่งบังเขาเพื่อซ่อนตัวเอาไว้เจ้าหญิงขึ้นไปบนหอคอยและมองไปรอบๆเธอไม่พบเหลี่ยมเลย จนในที่สุดเธอก็ต้องหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาแล้วเธอก็ส่องออกไปอเขาอยู่ไหนนะเขาไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือบนชายฝั่งในป่า ก, ก็ไม่มีอเดี๋ยวนะนั่นใช่เขาหรือเปล่านะเมื่อเธอจ้องเข้าไปใกล้ๆเธอพบกับขาสองข้างยื่นออกมาจากรังนกอินเซเขาเขาไปซ่อนที่นั่นได้ยังไง แล้วยังอยู่หลังนกอินซีอีกเธอไปหาเขาแล้วเรียกเขาลงมาเลียมข้าเห็นขาของเจ้าแล้วข้าเห็นเจ้าแล้วนะอ๋งั้นก็หมายความว่าข้าแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอก็เจ้าหาที่ซ่อนได้ดีเลยล่ะข้าต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะหาเจ้าเจองั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกสักครั้งก็แล้วกันนะเลียมเดินออกมา และออกไปหาที่ซ่อนที่อื่นครั้งนี้ข้าจะเรียกเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายได้ยินข้าไหมข้าอยากให้เจ้าช่วยฮ่าข้าอยู่นี่แล้วฮิปปี้ฮอปเออท่านมีอะไรใหข้าช่วยงั้นเหรอเออได้โปรดช่วยข้าซ่อนตัวจากเจ้าหญิงด้วยไม่นานนางต้องหาข้าเจอแน่ฮูฮูฮูเจ้าชายอีกคนที่ต้องล้มเหลวตลกจังเลยเออข้าต้องชนะให้ได้ช่วยข้าหน่อยนะ ก็ได้ก็ได้ข้าจะขุดหลุมให้ท่านลงไปซ่อนท่านซ่อนในนั้นนะในไม่ช้ากระต่ายก็ขุดหลุมขนาดใหญ่มันลึกพอที่เลียมจะลงไปซ่อนได้มีเพียงเส้นผมที่โผล่ออกมาเล็กน้อยอึถ้าข้าเอาดอกไม้มาบางผมของท่านไว้เหมือนกับผู้ไม้สีแดงล่ะ งั้นข้าไปก่อนนะหวังว่าท่านจะชนะเกมนี้กลับมาที่หอคอยเจ้าหญิงเมลานี่มองหาเลียมไปทั่วเธอหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานแต่ก็ยังหาเขาไม่พบออีกครั้งแล้วนะข้าตามหาตามต้นไม้จนทั่วแต่ก็ยังไม่เจอเขาเลยเขาอยู่ไหนได้นะอืมนั่นมันอะไรกันเนี่ยนันมันดอกไม้เป็นแปลกสีแดงอืม เดี๋ยวนะนั่นมันเธอออกมาจากหอคอยและไม่นานก็มายืนข้างๆเหลี่ยมพุ่มดอกไม้สีแดงเจ้าช่วยออกมาจากพื้นดินได้ไหมข้าเห็นเจ้าอีกแล้วโอ้ <laughs> เจ้าทําได้ดีอีกแล้วนะเจ้ารู้อะไรไหมเพราะเจ้าซ่อนได้ดีอีกในครั้งนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วนะอีกครั้งที่เขาต้องออกไปหาที่ซ่อน ตอนนี้ข้าจะทำยังไงดีนะข้าไม่รู้แล้วว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีเออสวัสดีท่านเป็นคนที่ช่วยข้าไวน้นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านเดือวกังกวลจังเลยดังนั้นเหลี่ยมจึงเล่าทุกอย่างให้ผีเสื้อฟังให้ข้าช่วยท่านเถอะนะจริงๆแล้วข้าคือผู้วิกษ์ของป่าแห่งนี้ข้าจะมอบบางอย่างที่วิเศษให้กับท่านกินขนมหวานนี่สิมันจะช่วยให้ท่านกลายเป็นทุกอย่างที่ท่านปรารถนานเลยล่ะ แล้วเหลี่ยมจึงกินขนมหวานเข้าไปและไหนไม่ช้าเขาก็กลายเป็นกบนั่นเป็นสิ่งที่ท่านอยากเป็นจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงไม่มีวันรักท่า น, น, นแน่แนเลยอบงั้นค้าได้รา้าคาถาใส่ขนมหวานนั่นแล้วเมื่อไหร่ที่เจ้าหญิงพูดคำว่า ย, ยอมแพ้เมื่อ น, นั้นท่านจะกลายเป็นคนอีกครั้งหนึง่งนี่มันเยี่ยมไปเลยข้าต้องไปหาเจ้าหญิงแล้ว นางต้องจำข้าไม่ได้แน่นอนกลับมาที่หอคอยเมลานีกำลังค้นหาเจ้าชายไปทั่วเธอมองออกไปแต่ว่าหาเขาไม่พบเลยเออเขาอยู่ที่ไหนกันนะที่ทะเลก็ไม่ได้ป่าก็ไม่มีปราาสะสาทบนพื้นก็ไม่เห็นเขาหาจนทั่วแล้วนะอบอบเออเอกบออกไปนะ ข้ากำลังหาเจ้าชายอยู่มิที่แกเลี่ยมเริ่มหัวเราะคิกคักออกมาตลกจริงๆเลยหนังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นข้าเมลานี่ยังคงค้นหาเขาจนทั่วและสุดท้ายต้องออกไปค้นหาเขาด้วยตัวเองเธอค้นหาที่ต้นไม้ทุกต้นในหลุม แม้กระทั่งในสระน้ำแต่ไม่ว่าจะที่ไหนเธอก็หาเขาไม่พบเลยไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เจอเขาเลยบางทีเขาอาจจะเป็นนกแล้วไปหนีไปแล้วละมัง้งอบอทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกเจ้าจะตามข้าไปทุกที่เลยได้ออยังไงกันเนี่ย อ, อบอบบางทีข้าคงต้องแต่งกับเจ้าแล้วล่ะหลังจากทั้งหมดนี้ข้าบอกกับท่านพ่อว่าจะแต่งงานกับกบ ข้ายอมแพ้แล้วทันใดนั้นเจ้าชายก็กลับมาสู่ร่างของคนอีกครั้งว่าไงเจ้าหญิงเจ้าเจ้าเป็นกบอย่างไงเหรอแต่ได้ยังไงกันเนอะเป็นความลับแต่ว่าตอนนี้ข้าชนะแล้วใช่ไหมเจ้าตามข้ามาตลอดเลยเหรอแล้วข้าไม่รู้เลยใช่เจ้าชนะแล้วและข้าก็ดีใจมากเลยนะที่เจ้าชนะค่า ข้าก็อยากจะแต่งงานกับเจ้าเช่นกันเนะข้าโชคดีไปเลยใช่ไหมในวันต่อมาเจ้าหญิงเมลานีและเจ้าชายเลียมก็ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขราชามีความสุขเป็นอย่างมากในที่สุดข้าก็ได้มีความสุขกับเขาสักทีโอ้และสำหรับเจ้ากบนกอินซีและผีเสื้อพวกเขาก็ได้รับเชิญมาที่งานแต่งงานเช่นกัน เหลียมบอกกับเจ้าหญิงว่าเขาชนะได้ยังไงและขอบคุณพระเจ้าที่เธอไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรเลยแถมยังเป็นคนชวนทั้งสา ม, มางานแต่งงานอีกด้วยข้าคิดว่าข้าควรหยุดพูดได้แล้วตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะบาย